สระนังขัดชามิธรามสระนังขัชามิสังังสระนังขัชามิ ทุติยมปีพุทธังสระนังขจามิทุติยมปีธรรมังสระนังขจามิทุติยมปีสังขังสรนังขจามิ ตติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามิตัติยมปีธรรมังสรนังคัจฉามิตัติยมปีสังฆังสรนังคัจฉามิ สรนาขมานังนิทตังปานาติปตาเวรมณีสิกขาปทถสมาปิามิ อทินนาธานาเวรมณีสิคาปัทังสมาทียามิอภิรมณียาเวรมณีสิคาปัทังสมาทียามิ มุสาวาทาเวรมณีสิ KA ปัฏฐานสัมปทียามิสุรามีรยะมจัปมาทธานา เวรามณีสิกขาปัทภังสมาธียามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาปทังสมาธยามิ นัจคีตวะติตวิสุกทัศนาเวรมณีสิคาป่างสัมมาทิยามิมาลาคันทะวิเรปนะธารณามนดา นาวีภูสนาธานาเวรมณีสิคาปทางสัมาทิยามิอุจจะสยนบะฮาสยนา เวรามณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอิมานิอัตถะสิกขาปทานิสิเรณะสุขะติยันติสิเรณะโภคะสัมปทานสิเรณะนิปุติยันติ ตัตมาสีรังสุทะยีโอกาสต่อไปนี้ญาติโยมทั้งหลายจงประกันตั้งใจ ฟงโอวาทต่อไปจงตั้งอยู่ในความสงบทุกทุกท่านเพราะว่าวันนี้เป็นธรรมเทศนาที่ถ่ายทอดออกจากพระองค์หนึ่งไปหาพระองค์หนึ่งเพราะเกี่ยวกับแก่การภาษา วันนี้อาตมาได้รับนิมนต์จากคุณแจ็คซึ่งเป็นลูกศิษย์เก่าให้มาช่วยอบรมซึ่งธรรมะในที่นี่ด้วยซึ่งอาตมาที่มาเห็นประชาชนทั้งหลายต้องการประพฤติปฏิบัติธรรมะเป็นส่วนมาก อยู่ในสถานที่นี้ก็มีความอิ่มอกอิ่มใจด้วยเพราะว่าในเวลาปัจจุบันนี้พวกชาว <c oughs> นักปฏิบัติทางหลายนึชาวมนุษย์ทางหลายนั่นพึ่งมีความเดือดร้อนกวนกวายหาความสงบได้ยาก การระงับซึ่งความวุ่นวายทั้งหลายเหล่านี้นั้นนอกจากความสงบไม่มีซึ่งแก้ไรเป็นประธานจัดสถานที่ขึ้นให้มีความสงบระงับเพีย น, นี้จึงเป็นสิ่งที่สมควรมากที่สุดอย่างเราทั้งหลายจะรู้ได้ง่ายๆว่าวันนี้ ซึ่งมีการพูดน้อยหรือมีการไม่พูดนั้นก็เห็นประโยชน์แล้วว่ามันเป็นอย่างไรมันมีความสงบอย่างไรไหมอย่างนี้เราควรจะรู้กันแล้วว่านี่คือความสงบอันหนึ่งสิ่งที่ให้ทำความสงบนั้นคือธรรมะธรรมะคือสภาวะที่ถูกต้องทั้งหมด มีสิ่งที่ถูกต้องนั่นเรียก ว, ว่าธรรมะธรรมะนี้ไม่มีของใครเป็นเจ้าของธรรมะนี้คือความจริงที่ตั้งอยู่ในโลกเมื่อตั้งโลกมาเมื่อไรสภาวะธรรมทั้งหลายก็ตั้งอยู่อย่างนี้เหมือนประหนึ่งว่าน้า ในพื้นดินซึ่งมนุษย์ทั้งหลายซึ่งขุดดินลงไปเห็นน้ําไม่ใช่ว่าไอ้คนคนนั้นได้แต่งน้ําน้ํามีอยู่แล้วแต่นานเราเพียงที่จะว่าขุดบ่อลงไปให้เห็นน้ําเท่านั้นน้ําเป็นสภาพเดิมมีอยู่อย่างนั้นธรรมะนี่คือมันกันอย่างนั้นก่อนจะประพฤติ ธ, ธรรมะท่าน ให้สมทานซึ่งศีลอย่างพุทธบริษัทในสมทานกันวันนี้เรียกว่าศีลแปดประการนั้นเพราะว่าการปฏิบัติธรรมอย่างยอดมันมีสามประการคือศีลหนึ่งสมาธิหนึ่งปัญญาหนึ่งิงทั้งหลายเหล่านี้ที่เราจะ มีเครื่องอุปกรณ์รักษาทั้งหลายเหล่านี้เราทุกคนนั่งอยู่ในที่นี่มีแล้วมีกายหนึ่งมีวาจาหนึ่งมีใจหนึ่งพร้อมแล้วสมควรที่จะต้องปฏิบัติธรรมะได้แล้วสินดังกล่าวมานี้มีแปดประการนั้นก็เพียงว่าเป็นข้อห้ามเท่านั้น ยังไม่เป็นศีลเป็นข้อห้ามคล้ายๆกับกฎหมายอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นห้ามเป็นกฎหมายเท่านั้นเมื่อมนุษย์เราทั้งหลายนั้นมาประพฤติตามปฏิบัติข้อห้ามอันนั้นมันก็เกิดเป็นศีลขึ้นมาทุกคนการปฏิบัติรวมยอดจะมีสองประการหนึ่งเรียกว่าศีรธรรม สองเรียกว่าธรรมะร้วนคือการปฏิบัติให้พ้นจากทุกขอันแท้จริงมีแล้วใช่ไหมทุกคนเอากายมาทุกคนไหมเอาใจมาไหมเอาวาจามาไหมมีเพราะไหมหรือเอาไว้บ้านก็มีหรือเอามาทางนี้หมดตรวจรูระรู้นะนี้มีแล้ว เราไม่บกพร่องโดยประการอะไรเลยมีเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างเราทั้งหลายนั้นมีความเป็นทุกข์เพราะใจขาดอาหารขาดอาหารทางใจใจเราขาดอาหารที่ดีแต่ว่าอาหารร่างกายของเรามันพอสมควรแล้วทุกคนเหลืออาหารทางใจ คืออาหารทางจิตที่มาปฏิบัตินี้เราพร้อมที่จะให้อาหารทางจิตให้จิตเรามันอ้วนอันนี้พูดตามความรู้สึกที่อัตมาได้ก้าเข้ามมาสู่ชาวตะวันตกนี่เป็นอย่างนั้นคือจิตไม่มีอาหารจิตเรานั้นก็หมายความว่าปล่อยจิตไปตามอารมณ์อารมณ์เป็นอย่างไรก็ปล่อยจิตไปตามอารมณ์อย่างนั้น ผลที่สุดแล้วก็อารมณ์นั้นก็ดึงเราไปสู่ความทุกข์เราทั้งหลายไม่มีปัญญาคือมันปราศจากอาหารนั้นเห็นความสุขก็ตะคุบเอาเห็นความทุกข์ก็ไปตะคุบเอาว่าเห็นสุขเป็นอย่างหนึ่งเห็นทุกข์มันเป็นอย่างหนึ่งไม่รู้จักแก้ไขในส่วนตัวของเรา ใครเคยได้รับความสุขทางใจไหมเอ่ความสุขอยู่นานไหม How about that happiness Did it stay for very long? นานเอ่ความสุขนั้นมันจริงไหมถ้าความสุขมันจริงทําไมถึงเป็นอย่างนานนะอันนี้เราขาดการพิจารณามิฉะนั้นไอ่คุณแจ๊ก จึงได้ตั้งคณะกรรมฐานขึ้นเนี่ยจะปฏิบัตินั่งให้สงบเพื่อรู้สิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้ยฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เราปฏิบัติธรรมะอย่างอื่นมีแล้วพร้อมทุกอย่างแต่ว่าสิ่งปัญญาที่จะให้ใหรู้จักทุกขรู้จักเหตุให้ทุกเกิดรู้จักความหลับทุก์รู้จักข้อปฏิบัติให้ทั่วความหลับทุกนี่ไม่มีหรือน้อยเกินไป เคยมีทุกไหมยเคยมีสุขไหมสุขทุกขอะไรมีราคามากกว่าการรู้ไหมเคยพิจารณาไหมอืมเข้าใจอย่างนั้นถ้าสุขมันจริงนะถ้าสุขมันเป็นของแน่นอนเอ่อ่ะมันคงไม่แปลโปรนไปเป็นอย่างอื่นถ้าความทุกมันแน่นอน มันก็ไม่แปรปวนเป็นอย่างอื่นสองอย่างนี้นะที่พระพุทธที่เจ้าที่ผู้รู้ทั้งหลายให้รู้จากธรรมะสิ่งที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ก็เพื่อระงับความสุขความทุกข์เรียกว่าความสงบความสุขนั้นยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริง ความทุกข์ก็ยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความสงบนั้นสงบจากสุขสงบจากทุกข์นั่นเองโยมทั้งหลายทะร้จักน้าตาจะไม่ได้ไหลอีกต่อไปแล้วถึงความสงบอย่างนั้นคือธรรมะที่เรานั่งนั่งกรรมฐานนี้มันน่าจะสงบนะไม่ได้ไปทำอะไรนะ นั่งอยู่เฉยๆดูรวมหายใจเข้าออกอย่างนั้นมันก็ยังมีความวุ่นวายอยู่มันเป็นเพราะอะไรนี้เคยพิจารณาไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเคยพิจารณาไหมเออนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นปัญหาที่พวกเราทั้งหลายจะได้พิจรารณาเพราะธรรมะทั้งหมดนั้น มันตกอยู่ในภาพความจริงความจริงนั้นมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่มันไม่จริงอา่อาอ่าที่เรียกว่าไอความเที่ยงมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ว่ามันไม่เที่ยงพวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้จักว่าเที่ยงทั้งหลายต้วนี้มันแปลเปลี่ยนไปได้ก็เลยไปถืออันเดียวว่าให้มันเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นทุกข์ ฉะนั้นพวกเราทางหลายจึงพิจารณาแล้วยอมรับยอมรับความจริงที่เราไม่ยอมรับความจริงคือไม่เห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงมันจึงเกิดความวุ่นวายเกิดทุกข์ขึ้นมาอย่างนั้นถ้าเรารับว่ามันเป็นจริงอย่างนัน้นก็เห็นความจริงเท่านั้นแหละมันจะไปที่ไหนล่ะ เปรียบเทียบเทียบเมืองไทยไอเมืองไทยนะไทยแลนด์น่ะที่ฝึกธรรมมาถ้าหากว่ามีการเจ็บป่วยหรือมีอายุมากขึ้นมาป่วยพระท่านไปเทศว่าเออันนี้มันเป็นอย่างนั่นเองของมันมันมีเกิดแล้วมันมีแก่แล้วมันมีเจ็บมีตายอย่างนี้อ่าคนแก่เมืองไทยจะยกมือขึ้นรับม เพื่อจะรับพิจรารณาดูเหมือนว่าชาวตะวันตกนี่บางคนมาพูดถึงความแก่แล้วไม่อยากจะรับฟังไงอยากจะให้มันหนุ่มอยู่เรื่อยอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดู้ถูกชาวตะวันตกนะในชาวตะวันตกก็พี่เป็นน้องทั้งหมดนะแต่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นดยมาก ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ยังไม่ยอมรับธรรมะไม่ยอมรับความจริงคือปกปิดทุกข์ไว้ในตัวของเราอยู่เสมอจึงไม่มองเห็นทุกข์จึงออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะไม่มองเห็นทุกข์นั่นเองอันนี้อาตมาขอฝากถึงแม้ยังไม่พอใจก็ฝากไปพิจารณาดูจะเป็นไงตึจริงไหมนั่นแหละคือความจริงแล้วแต่ว่า ลักษณะที่เราไม่ยอมรับนั้นไม่ยอมรับคนที่ไม่ยอมรับนั้นเรียวกว่านคนยอมรับความทุกข์ไว้ในใจของเราถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ถูกจุดของธรรมะเสมอว่าเรามีเราคันศีรษะเรานะเราเอามือเรามาเกาขาของเราอย่างนี้มันไม่ถูกจุดมันนะ มันก็ไม่หายความลำคาญดังนั้นแหละถ้าเราคันศีรษะแล้วก็เกาที่ศีรษะของเราสักคันที่ขาแล้วก็แก้ที่ขาเราสักไอ้ความลําบากลำคาญมันก็หายไปเท่านั้นโยมลองดูสิวันหลังน่ะถ้ามันคันบนศีรษะให้มันเกาขานี่มันจะถูกหยุดมัม้ยมีเป็นหลักธรรมะ หลักธรรมะทุกวันนี้เราทำไมเราถึงทุกข์ไม่หายคือเราเลี้ยงทุกข์ไว้นึกว่าทุกข์แต่มันเป็นของดีจะทิ่งไปก็กลัวมันรนะันึกว่ามันเป็นสุขนะก็เลี้ยงทุกข์ไว้ทุกข์มันก็อยู่สบายเราก็ร้องไห้ไปด้วยไม่สบายให้นั่งก็ไม่สบายให้นอนก็ไม่สบายให้อาหารดีๆก็ไม่สบายใจมันเป็นทุกข์อยู่เพราะอะไรให้อาหารไม่ถูกอาหารไม่พอมัน ไม่ถูกเรื่องมันคือเราไม่จุกไม่ถูกจุดคันมันก็ไม่หา ย, ยจะไปแก้โดยวัตถุต่างๆไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทุกที่มันเกิดขึ้นมาจะไปแก้วัตถุไม่ได้จะวัตถุสร้างขึ้นในีมันพอกับใจของคนนั่นพอไม่ได้นอกจากว่าเรารู้เรื่องของธรรมะ <c oughs> เรื่องอนิจจงของไม่เที่ยง ทุขังความมันเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เป็นความจริงเรื่อเกินเป็นสัจะธรรมถ้าเป็นสัจธรรมจริงจริงเรื่องรู้เรื่องของอนิจจังเช่นนี้แล้วถ้าหากว่าใครนับถือคริสโยโกเรียกว่าเห็นพระเจ้าใครนับถือพุทธก็เรียกว่าเห็นพระพุทธอืมถ้าใครไม่เห็นอนิจจังอยู่ในอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในพุทธศาสนาก็ไม่เจอพระพุทธ อยู่ในคิดก่อม่เห็นพระเจ้าก็พระเจ้ากับพระพุทธเจ้านันมันอันเดียวกันเท่านั้นเนี่ยธรรมะอันเดียวกันถ้าเห็นอ น, นิจจังก็เห็นความจริงอันเดียวกันทุกคนไม่เปลีป่ยนเป็นอย่างอื่นฉะนั้นวันนี้จึงให้ญาติโยมทั้งหลายทำความสงบ ดูไหมเรื่องที่ทำความสงบนี้บางแห่งก็ <c oughs> สงสัยเหมือนกันการนั่งดับตาบางคนก็เคยพูดว่าอู้นฉันไม่ไปแล้วนั่งดับตาแต่ลืมตาอยู่มันก็ยังไม่เห็นน่ะจะไปดับตามันจะไม่เห็นอะไรอย่างนี้แล้วครูในดึกซึ่งเขาก็อีกว่า เรานั่งและลืมตาเดี่ยวเนี้นะลืมตาเดี่ยนี้เรามองไปเห็นบ้านแล้วไหมมองเห็นบ้านสายตาเราถึงไหมถ้าดับตาแล้วอย่างนี้นี่เอาจิตเพ่งไปถึงบ้านเราได้ไหมดูอย่างนี้อืฉะนั้นท่านจึงให้นั่งสมาธิเดี๋ยวให้มันรวมเข้ามาให้มันเป็นกําลังเพื่อให้ เพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆได้อไอ้ความเป็นจริงแล้วอาจะมาสอนกรรมาฐานที่นี่พูดหลายไปสันหน่อยหนึ่งไอ้ความเป็นจริงของไม่มากขนาดนั้นของนิดเดียวเท่านั้นเน่ไม่ใช่ของมากอย่างนั้นนี่พูดตามอาการของจิตเท่านั้นเนี่ยไอ้เรื่องปฏิบัติให้ที่สงบเนี่มันไม่ไม่มีอะไรมากอย่าง แจกว่าไม่ให้พูดอย่างนี้ก็ดีแล้วพูดไม่เคยพูดกับคนอื่นก็พูดกับตัวของเราเนี่ยนั่งก็พูดอยู่งั้นไม่มีปัญหากาพูดอยู่อย่างนั้นเนี่ยพูดกับตัวของเราถามตัวเราอยู่นั้นเนี่ยอืมนี่เดียว่าพูดอยู่ในความสงบไม่ใจพูดอยู่ในความวุ่นวายอืมเคยพูดไหมเคยพูดกับตัวของตัวไหมเนี่ยที่ห้ามมาให้พูดกับคนอื่นเนี่ยนั่ง เคยพูดกระตัวของเราไหมเคยพิจารณาไหมเนี่ยนี่คือจุดธรรมะจะเกิดขึ้นตรงนั้นธรรมะจะเกิดขึ้นตรงนั้นความจริงจะเกิดขึ้นตรงนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นตรงนั้นไอการแก้ปัญหาจะเกิดตรงนั้นตรงนั้นเป็นที่เกิดของธรรมะตรงนั้นเป็นเหตุที่เกิดธรรมะ แต่สิ่งที่มันรุ่นอยู่นั่นน่ะอาการที่เราทําไปโดยกายของเราก็ดีพูดด้วยวาจาของเราก็ดีเราจะไปอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามาแล้วเป็นอดีตนั้นอย่างนี้นะบัดนี้เรามานั่งให้มันสงบมันจะรวมเข้ามามันมากเหลือเกินมันมากมันมากไม่รู้มันมาจากไหนเราไม่รู้จักว่ามันมาจากไหนเราไม่ได้เก็บมันมารวมไว้ ก็มันมีสุขแล้วก็ปล่อยมันไปซะมันมีทุกข์ก็ปล่อยมันไปซะมันอยากเที่ยวแถวนี้ก็ปล่อยมันไปซะมันไม่รวมกันทุกคนดูมันไม่มีอะไรถ้ามานั่งแล้วบางคนแม่นั่งไม่ค่อยจะได้เลยมันมามากเหลือเกินคือมันมารวมกันแล้วมันปิดข้างนอกมันไว้มันมารวมข้างในอย่างนี้บางคนก็ลำคาญใจตรงนั้นแหละตรงธรรมะจะบังเกิดขึ้นมาความจริงจะเกิดขึ้นตรงนั้นให้อดทน นั่นแหละท่านเรียกว่าอารมณ์มันเข้ามาทางตา<ม>และหูจมูกกลิน้นกายจิตมารวมอยู่ที่จิตนี้นัน่นเรียกว่าช่องอารมณ์อันนั้นแหละมายั่วยวนจิตของเราที่มาให้สงบอืยั่วยวนจิตของเรามาให้สงบคืออารมณ์ที่เรามานั่งอย่างนี้คือให้รู้จักอารมณ์อารมณ์นี้ก็สักว่าอารมณ์เท่านั้น มีความสุขขึ้นกว่าวูบเดียวกว่าหายไปมีทุกเกิดแล้วหายไปเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากมายตาสองหูสองจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายนี่เดียวว่าเป็นมรคแปดประการตาสองหูสองจมูกสองลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจเป็นผู้ที่เดินมรคแต่ว่ามรค อยู่ในตำราไม่ใช่อย่างนี้นะอยู่ในหนงังสือไม่ใช่อย่างนี้อันนี้มรรคที่ให้เราเห็นชัดในตัวของเรานี่ตาสองหูสองจมูกสองรีดหนึ่งกายนี่จิจเป็นคนเดินนี่คือมรรคอันนี้แจ๊กก็พูดไปแล้วละมรรคอาตมาพูดมรรคที่มันนั่งอยู่ตรงนี้อมีอยู่เนี่ยนะน้อมเข้ามาเห็นในตัวของเรานี่คือมรรคมรรคแต่แปลว่าทางเดิน หูนี่ก็เป็นทางเดินเข้ามาแห่งเสียงจมูกนี่ก็เป็นทางเดินเข้ามาแห่งกลิ่นลร้่นี่ก็เป็นเดินทางเดินเข้ามาแห่งรสทั้งหลายโพธพภะคือร่างกายสำหรับถูกต้องเป็นทางเดินเข้ามาแห่งโพธพภะเดินเข้ามาอย่างนี้เป็นทางกายทางจิตเป็นคนรับ สำหรับที่รู้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดมิฉะนั้นแจกจึงตั้งข้อปฏิบัติขึ้นมาตรงนี้นนท่านเนทรรมสมาธิให้กำหนดจิตกำหนดจิตอย่างเดียวคือมรรคทั้งหลายมันมารวมอยู่ที่จิตแล้วตาหูจมูกลิ้นกายมารวมอยู่ที่จิตเราจึงเอาจิตอันนี้แหละฝึกจิตอันนี้ให้อยู่กับรมหายใจ เรียกว่าการทำใจให้เป็นหนึ่งถ้าทำเช่นนี้เราจะรู้จักจิตของเราแล้วก็รู้จักอารมณ์ของเราแยกออกกันเป็นจิตเป็นอารมณ์ถ้าแยกไม่ออกเราก็เป็นทุกข์ลำบากให้โทษอย่างอื่นเรื่อยๆไปเช่นว่าจิตมีบางครั้งนะจิตเป็นจิตบางครั้งนี่มันเกิดโทสะขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมา นะไม่ใช่จิตที่มันเกิดตัวนั่นขึ้นมามันมีอารมณ์มากระทบให้จิตหลงเป็นโทสะขึ้นมาอเช่นแก้วใบนี้ยนะถ้าใจเราไม่มีโทสะเราก็สบายใส่น้ำกินสบายนะอีกวันหนึ่งจิตมันจะกระทบซึ่งอารมณ์ถูกยุแยของอารมณ์อ่ะให้จิตโกรธขึ้นมากที่สุด อาจจะเอาถ้วยใบนี้พุ่งไปใส่ดินก็ได้ใส่ไม้แตกอย่างนี้นี่มันเกิดโทษอย่างคือไม่รู้เรื่องจิตของของเราแล้วมันเกิดเป็นกิดเลสอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงอ่ะถ้วยใบนี้น่ะมันไม่มีอะไรจะเอามันคว้างไปให้มันแตกมันก็ไม่มีอะไรจะวางไว้ก็ไม่มีอะไรไอท้ทุกวันทุกวันใช่ถ้วยใบนี้มีประโยชน์ใจดี ถ้าใจมีเจเดีขึ้นมาเอาถ้วยนี่คว้างไปทิ้งก็ได้แตกก็ได้ใครผิดมาถ้วยผิดทีด่จิตของเรามันผิดเนี่ยทาไมไม่เป็นยังงั้นทุกวันถ้าเป็นยังงั้นทุกวันเห็นจะไม่มีถ้วยใส่เนาะนี่ยนี่มันแน่นอนอยังไงไหมคิดว่าจิตที่มันโกรธขึ้นมามันก็พุ่งขึ้นมาเห็นอันนี้ไม่ชอบใจก็ทิ้งไปเห็นอันนี้ไม่ดีไอความเป็นจริงอันนี้มันไม่มีอะไรมันอยู่อย่างนี้ เพราะความเห็นผิดเทียมันเกิดขึ้นนี่เป็นกิเลสเท่านั้นเนี่ยจึงทุบแก้วนี่ทิ้งไปทุบทถ้วยนี่ทิ้งไปไอความเป็นจริงทําเช่นนั้นมันไม่เป็นประโยชน์ไอถ้วยใบนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ขนาดนั้นก็ยังไม่รู้จักตัวของเรานะอืมไม่รู้จักตัวไม่รู้จักแก้ไขของเราทางนั้นเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ขนเอาถ้วยมาทุบทิ้งหมดเท่านั้นเนี่ยยังอันแก้จิตของเจ้าของโทษอยู่ตรงนี้ ไปให้โทษคนอื่นอย่างนั้นอันนี้เรื่องอาการของจิตมันเป็นอย่างนี้เราหลงอารมณ์มันนี้อันนี้วันนี้ฟังให้ดีนะบางคนจะเข้าใจว่าท่านอาจารย์นี่พูดธรรมะอะไรอย่างนั้นนี่คือตัวธรรมะแท้ๆธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะอะไรที่เป็นธรรมะอะไรที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีอยู่ในนี่มีธรรมะทั้งนั้น โยมนั่งทับจนนั่งกัธรรมะทางนั้นเนี่ยนอนทับกับธรรมะทางนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นจริงมันเป็นธรรมะทางนั้นไม่จบธรรมะไม่จบธรรมะมันมีอยู่ทั่วไปไม่ใช่ว่าธรรมะมันมีอยู่ในตัวหนังสือตัวหนังสือก็ชี้บอกธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะอาตมาเทศวันนี้ก็เทศเรื่องธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะ ถ้าตัวธรรมะนั่นโยมจะปฏิบัติจะรู้ชัดเองอย่างนั้นขึ้นในจิตของโยมนั่นเองวันนี้พูดธรรมะแล้วก็วันนี้จะไม่พูดมากต่อ น, นี้ไปก็จะให้มีความสงสัยอะไรเล็กน้อ ย, อยจะให้ถามปัญหาเวลาไม่มากพูดธรรมะมันจบไม่ได้หรอกพูดกับทางวันกับทางคืนมันก็ไปของมันอยู่อย่างนั้นอย่าสงสัยลายนะ ของชาวตะ บ, บันตกเนี่สูงใสามากเหลือเกินไม่หยุดยิ่งก็ไปดูนิวยอร์กเน่ยปัญหามากเหลือเกินเลนั้นค น, คนนี้จึงมีปัญหามาแต่นี่ให้โอกาสแล้วก็ออยังอยู่อีกหลายวันเนาะนค่อยๆศึกษาไปยังอยู่หลายวัน ที่มาทำนี้ก็เรียกว่ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนของไม่มีราคาทิ้งเอาของมีราคาเขามาไว้เขียมันออกไปเขลียออกอของไม่ดีในใจเรามีอยู่ไหมยังเหลืออยู่ไหมนี่แหละที่มีเราก็รู้ที่มานี่พยายามเขลียนี้ออกอันนี้แล้วมันพาวุ่นวายอยู่นี่ เป็นเรื่องราวนี่ของที่มีดีนี่มันวุ่นวายในตัวคนทุกๆคนนี่มาทําเช่นนี้ก็มาเพื่อระความชั่วระเครื่องที่มันวุ่นวายออกไอเครื่องวุ่นวายนั้นก็ต้องรู้จักทุกคนนะมั่งนี่ยเนาะให้ถามเจ้าของเองเถอะสบายดีไหมไม่ได้พูดแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นมารู้อะไอที่ควรที่ไม่ควรดีไม่ดีนั้นรู้จักจิตของเจ้าของต้องแก้เอาเองรู้แล้วต้องแก้เอาเอง เขี่ยมันออกค่อยๆเขีย่ยออกพยายามเขียไไ่ยออกง่ายๆหมดง่ายๆนะนานนะมันมากธรรมะนี่ฟังง่ายนะแต่ทํายากนะเป็นยังไงไหมฟังง่ายทํายากเป็นยังไงไหมเออ <c oughs> นั่นแหละเอออืมเป็นอย่างนั้นอืมจะต้องเป็นอย่างนั้นฟังง่ายๆแต่ไปทำเนี่ยมันยาก ก็ดูที่ทนานนั่งตาก็ให้หับแต่แล้วมือก็วางไว้หมดแล้วไม่มีลมหายใจอย่างเดียวท่านนะี mm. ้ก็ยังไม่ชอบจะทําเลยนะไม่สบา ย, ยคิดนู่นคิดเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรมาอีกแล้วนะมันน่าจะสบายแล้วนะนั่งเฉยๆดูลมหายใจออกมันสบายอัตมาว่ามันหมดเท่านั้นเลยมันสบายแล้วอันนี้อันนี้ยังคิดไปถึงโนูน่นอันนี้วขว้ากำว่าใส่มันวุ่น ของเก่าที่สะสมไปนานแล้วมันเกิดขึ้นมาเป็นพยามาล น, นี่ไม่ใช่อื่นหรอกแล้วลเคลียออกให้หมดถ้าเคลียออกหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะเคลียเด็ก็นั่งสบายเดินสบายนั่งสบา ย, น อ, บายนอนสบายสงบเยเท mm. ่านั้นแหละความหมายนั้นมีอะไรหรอกเคลียของเก่าออกของใหม่อย่าเพิ่มเพมา ก, ก็หมดเท่านั้นแหละอืมแต่มันแต่มันฟังง่ายแต่มันทํายาก อย่าไปแก้ที่อื่นน่ะแก่ที่ตัวเราเนี้ไอ้ความชั่วทั้งหลายไม่ไปอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่นี้ไม่ใช่อยู่ในป่าน И ี่อืมไม่อยู่ในทะเลไม่อยู่บนอากาศไม่อยู่ที่นี้ป่ามันไม่มาทุกข์กับเราหรอกทะเลมันไม่มาทุกข์กับเราหรอกข้างนอกมันไม่มาทุกข์กับเราเรามันปรุงแต่งขึ้นในตัวของเรานี่เองมันเกิดอยู่ที่นี่อืมก็ทําให้มันดับลงตรงนี้แหละมันเกิดที่นี่ทุกคนจงไปภาวนาพิจารณา อันอืมปีที่ต่อไปวันที่ต่อไปมาทำกรรมฐานเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมากๆดีขึ้นเมื่อมันมันดีขึ้นมากๆก็อยู่เนื้อดีเท่านั้นก็ได้หมดเท่านั้นนะชั่วก็ไม่อยู่มันดีอยู่ก็ไม่อยู่อยู่เนื้อดีที่แรกก็ทําชั่วละมันออกไปแต่มันดีมันก็เกิดขึ้นมานะเมื่อดีดีขึ้นมาไม่ดูจะดีก็ชั่วยู่นะเป็นทุกข์อยู่นะขึ้นข้างบนมันซะ อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเลยสบายนอขอโอกาสกับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต่อไปนี้อืมอ่าคุณแจ๊ ข อ, อนิม้มนให้บรรยายธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายด้วยดังนั้นจงตั้งใจฟังด้วยปัญญาอืมพะโอกาสไม่ค่อยจะมากหรืออีกประการหนึ่งพวกเราทั้งหลายนั้นก็ได้อบรมมาแล้วพอสมควร วันนี้หรือคราวนี้ก็นึกว่าเป็นโชคดีของอาตมาด้วยของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายด้วยที่ได้มาพบกันในทีน่นี้มาพักที่นี้ก็เลยรับอุปการะจากพวกท่านทั้งหลายได้ความสบายทุก ป, ประการ ดังนั้นอาตมาจึงจะข อ, อมอบอมให้คำพูดหรือมอบธรรมะอันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับพวกท่านทาั้งหลายด้วยพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกก็เป็นผู้มีความคิดแปลกต่างกับพวกโลกทั้งหลาย และพวกโลกทั้งหลายเขาอยู่ที่สนุกสุขสบายให้เราอยู่ในป่าอย่างนี้ก็เห็นจะมีความหมายอย่างประเสริฐให้เราแสวงหาที่สงบระงับตามหน้าที่ของผู้ชอบความสงบระงับ การประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ธรรมะสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ไม่บรรจุธรรมะไม่มีอย่างนั้นธรรมะจึงมีทั่วไปในสกลโลกอันนี้ที่เป็นรูปก็เป็นธรรมะที่เป็นอรูป ก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ท่านให้แสวงหาธรรมะหาที่ปฏิบัติธรรมะหาในที่มันสงบระงับเพื่อทำจิตให้สงบระงับอยู่ที่ไหนก็ตามพระมุนีท่านตรัสว่าให้รู้จากโทษ ปฏิบัติเพื่อให้รู้จากโทษให้รู้โทษอืมอย่างจริงทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงใ้ความสงบนี้มันก็ดีแต่ว่าอืมถ้าไม่รู้จากความเป็นจริงของมันแล้วก็เป็นโทษเหมือนกันในความสงบนี้ี่ความสงบนี้มันก็มีโทษของมัน มันให้เราสงบมันอยู่สบายเป็นสุขอย่างนี้ก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันเมื่อไปพบที่ไม่สงบแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีก่องนั้นจึงสถานที่ภายนอกจึงจัดว่ายังไม่เป็นสถานที่หมดจดอย่างดีที่หาความสงบแต่ท่านให้ยึดสถานที่ ที่สงบให้เป็นที่ปฏิบัติเท่านั้นแต่ไม่ให้มั่นให้ยึดแต่ว่ามาแห่มันมม่นเพราะว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องท่านจึงจัดว่ามันอยู่ที่มักคือสัมมาธิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องตามสัจธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิสุขท่านก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่มีสุขเกิดมาท่านให้ยึดแต่ม่แห้มัน่นมีทุกข์เกิดขึ้นมาท่านก็ให้ยึดแต่ว่าท่านม่แห้มัน่น อันนี้คงเข้าใจถ้าติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในความสงบ ม, มันก็เป็นกามสุขันิกาเนโยโขถ้าติดอยู่ในความไม่สงบมันก็เป็นอตตกิรมฐานเโยโคดังนั้นการปฏิบัตินี้จึงจะต้องให้ปัญญาเกิดให้รู้จักโวยปัญญาอยู่โวยปัญญา ฟังด้วยปัญญาดูด้วยปัญญาการกระทำทุกอย่างทำด้วยปัญญาทั้งนั้นการปฏิบัติธรรม ะ, ะการรู้ธรรมะแต่ปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ว่ามันมีสองอย่างมือกายอย่างหนึ่งมีจิตอย่างหนึ่งสองประการนี้เท่านั้นไม่ต้องรู้มากเรียนมากอะไรมากมาย มีกาย ก, ายกับจิตเท่านี้ก็พอเห็นอะไรทุกอย่างน้อมกมาเป็นโอปานายิกะธรรมให้เห็นเฉพาะกายก จ, จิตเจาของนี้อันนี้อาจจะมาเห็นในเฉพาะเจ้าตัวตัวเองในสมัยหนึ่งเขาไปอยู่ในป่าอืมสงบเนีย่ยม่ออกมาแล้วมันอยู่ติดบาดคนบ้านคนเขาว่ามันเล่นดนตรีกันอยู่ไม่สงบลำคาญ ทำไมถึงราคาญอย่างนั้นก็เพราะว่าเสียงดนตรีมากวนเรามีความเห็นผิดอย่างนี้อยู่ไปก็ไม่สบายใจเพราะเข้าใจว่าเสียงดนตรีมากวนเราอยู่ไปหลายวันทุกมันเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่หนีจากที่นั่นเลยเปลี่ยนความรู้สึกว่าอเราเนี้มันผิดหรือถูกนี่คิดใหม่พิจารณาใหม่ เกิดความรู้สึกขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เขามากวนเรานี่วให้ด <c oughs> ูไปเด้วเราไปกวนเขาเนี่ยมันหลงขนาดนี้นะนเขาไปกวนเราก็ไปเข้าใจว่าเราไปกวนเขาก็เข้าใจว่าเขามากวนเรามันผิดแท้ๆอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้เราไม่สบายนี่นะอันนี้ก็เป็นธรรมะนอกคมภีร์ เป็นตำลานอกคัมภีร์มันกันถ้าเราคงจะไปอ่านอยู่ในคัมภีร์คงจะไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นยังไงกันอันนี้ไปนั่งอยู่ในป่าเอากายไปนั่งทำจิตให้สงบปัญญามันเกิดขึ้นมานี่เรียกว่ามันดูในจิตของเจ้าของนั่นเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนี้มันก็ตัดปัญหานั่นได้นั่นจึงได้มาเห็นเพื่อนปฏิบัติเลยจึงอยากจะขอฝากไว้ อย่าพิ่งลืมตัวนะอย่าพึงลืมเคยพลาดมาแล้วพลาดมานึกว่าไม่มีอะไรน ะ, ะไม่มีอะไรอเหมือน อ, อย่างหนึ่งก็เหมือนไม้สองอันไม้อันหนึ่งมันยาวสักฟุตหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีไม้อันเดียวเรามองขึ้นในถามไม่รู้ว่ามันชัน้นมันยาว เ, ยเพราะไม่มีเครื่องวัด ถ้าเอาไม้อันหนึ่งมาวัดเข้าไปอีกสองฟุตจะเห็นไม้เราว่ามันสั้นถ้าเอามาวัดใหม่เอาชักครึ่งฟุตมาวัดจะเห็นว่าไม้ที่เราถืออยู่นี่มันยาวอันนี้ธรรมะนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อมีเหตุมากระทบมันจึงฟุ่งขึ้นมาอการปฏิบัติหาทางพ้นทุกนี้ทุกวันอืม มีครูมีอาจารย์มากทุกวันนี้อืมมีครูมีอาจารย์มากอื <c oughs> แล้วแต่อุบายที่ครูอาจารย์จะสอนไปถ้าเราไม่รู้ทั่วถึงก็ลําบากทุกวันนี้มันเป็นของที่ลําบากเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรมันเป็นของลําบากถ้าเรามีปัญญารู้จักเช่นว่าเขาเรียน กรรมฐานกันในทุกวันนี้เรียกว่าเรียนวีปัสนาหรือสมถะด้วยปีปัจนาอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นคำที่สมมุติขึ้นมาภาษาที่สมมุิขึ้นมาแต่อัตมาเห็นว่ารวมเขาทั้งสองอย่างนี้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเท่านั้นแนะ่ะ ที่เราปฏิบัติธรรมะมันทำควบกันไปเลยทำทั้งสองอย่างไปในตัวอะไรทั้งสมถะทั้งมีปัสนาเป็นไปในนั่นเลยเชียนว่าเราทำจิตให้สงบเนี่ยทำจิตที่ให้สงบให้สงบนี้สงบด้วยจิตที่สงบนี้สงบสองประการสองอย่างหนึ่งที่เรามาอยู่ในป่านี้ ไม่ค่คยได้ยินเสียงไม่ค่อยได้เห็นรูปจิตมันก็สงบอย่างหนึง่งสงบนี้จึงเป็นขั้นที่สงบครั้งแรกต่อไปนั่นท่านก็พยายามให้เกิดปัญญาเปลี่ยนซึ่งอารมณ์ท้งหลายให้รู้ว่าอานิจจังถูกขัง อนัตตาสามประการนี้เป็นอารมณ์ของมีปัสนาคือเป็นอารมณ์ที่จะให้จิตเกิดปัญญาไม่ใช่อื่นตรงนี้ไม่ต้องกำหนดอะไรมากจะยืนเดินนั่งนอนทุกดียาบทเมื่อถูกอารมณ์มาเมื่ อ, อไรให้ระลึก เสมอเมื่อนั้นมีสติอยู่ว่าอันนี้ถ้าเรามีความสุขทางใจหรือด้อารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นก็ดีก็ดีว่าอันนี้มันไม่แน่เมื่อทุกเกิดขึ้นมาก็ดีว่ามันไม่แน่อะไรทุกอย่างเกิดขึ้นมาตรงนั้นบอกว่ามันไม่แน่ทุกขณะไปเท่านี้นานนานไปจิตของเรามันจะรุกขึ้นมาเห็นว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่อย่างนั้นมันก็ไม่แน่เป็นของไม่แน่นอนทางนั้น เห็นอะไรอะไรที่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่จริงไม่จังจิตใจเรานี่ก็เลยไม่เอาจริงจังกับมันเท่านั้นเนี่ยอันนี้มันก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนกันสมัยก่อนที่เราเห็นว่าอันนี้มันจริงสุขนี่มันจริงทุกนี่มันจริงอะไรที่มันจริงจังถึงนั้น เราไปเข้าใจจนเกินไปซะไปเอาจริงเอาจังครับสิ่งที่ว่ามันไม่จริงไม่จังนั้นบางทีมันเปลี่ยนไปก็ผิดหวังเราก็ทุกข์เกิดขึ้นมานี่เปลี่ยนไปเมื่อไรก็ผิดหวังเรามันทุกข์เกิดขึ้นมามันก็เกิดปัญหาอยู่เรื่อยถ้าเห็นเรื่องของไม่จริงจังในธรรมทั้งหลายแล้วจิตใจเรามันก็ไม่ยึดมัน่นถือมัน่น เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นปัญหามันก็หมดไปเมื่อปัญหาหมดไปก็เรียกว่าอืมไม่มีอะไรแล้วสงบทางปัญญาก็เกิดขึ้นใครเคยมีความทุกข์ทางใจไหมใครมีใครมีใครเห็นทุกข์เกิดขึ้นทางใจไหมใครเคยเห็นไม่มีไหม ออ่่าานี่คือข้อปฏิบัติธรำเทียมันเกิดตรงนั้นแหละเกิดที่จิตของเรานั่นเนี่ยเกิดตรงนั้นมันจะหลับลงตรงนั้นฉะ น, นั้นพระองค์ท่านจึงให้พี่นาอยู่ที่จิตของเราน่ะสุขมันต้องไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วทุกข์ก็ไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วสุขทุกข์มันเกิดที่ใจของเรานั้นไม่ใช่ที่อื่น นี่ท่านจิงให้รู้จักสมมุติอันนี้เช่นว่าไอ้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมานั่นน่ะหนึ่งสุขทุกข์เกิดเป็นสุขทุกข์ของธรรมดาอย่างหนึ่งทุกข์อันเกิดจากอุปอุ ป, อปานอย่างหนึ่งไอ้คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเราแต่ว่ามันมีทุกข์ประจำสังขารเช่นว่าเราป่วยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีทุกข์ถ้าเราคิดไป ถูกเรื่องของมันเรื่องป่วยก็เป็นธรรมดาของมันนะอย่างนี้มันไม่แน่นะเช่นนี้หรืออาการที่เราเจ็บปวดเอาเข็มมาฉีดเข้าไปตรงนี้ฉีดยานี่ยมันก็เจ็บเหมือนกันเจ็บอะไรเจ็บเฉพาะเอาเข็มมันแทงเข้าในหนังอลไรมันก็เจ็บนะสัมผัสมันเจ็บพระพุทธเจ้าก็เจ็บพระอาหารหันต์ก็เจ็บแต่ว่าเจ็บนั้นเป็นเทบธรรมดา ทุกคนต่ต้องเก็บเป็นธรรมดาสัมผัสนี่เรียกว่าให้รู้จักอันนี้เป็นธรรมดาเหลือเกินที่ท่านให้รู้จักอีกประการหนึ่งที่มากที่สุดคือไอ้ทุกข์ที่มันเกิดมาจากอุปาทานนั่นเป็นทุกข์เกิดมาจากกิเลสจริงๆอุปาทานเหมือนฉีดยา เอาเข็มที่เราไปอาบโดยยาพิษ <c oughs> นี่เอาเข็มอาบโดยยาพิษเดีวก็มาฉีดเข้าไปแม่อันนี้มันเก็บมันปวดเรือธรรมดาเลยกินนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่สุขเพราะอุปทา น, นทุกข์เพราะมีอุปทานเป็นแบบนี้เหมือนกับที่เอาเข็มไปอาบน้ำยามาฉีดเข้าไปาปวดเก็บจนตายจนในคนตาย นี่อะไรเราเกลียดมีอุปทานความรู้สึกกันมาสุขทุกมีอุปทานแม้อย่างน้อยก็ต้องตายทางเป็นรู้จักนะที่มันทําพิจารณาธรรมที่ตรงไหนทามันเกิดตรงไหนมันดับตรงไหนเนะีย่ยไปดูที่อื่นดูที่จิตของเราจิตนี้มันเป็นกำลังมากที่สุดนะตาหูจมูกลิน้น อย่างนี้ก็เป็นลักษณะเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะเหมือนับรถยนต์รถยนต์ตารถยนต์มันมีแสงใหญ่สว่างอย่างนั้นแต่รถยนต์มันเห็นไหมหรือคนนั่งอยู่บนรถมันเห็นเนี่ยตัวรถยนต์มันเห็นแสงสว่างหรือเปล่า นี่ก็เหมือนกันนะไอความเป็นจริงแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์แต่รถยนต์ไม่เห็นเราก็เหมือนการน้อมเข้ามาเป็นโอปนญยิกธรรมเราอยู่ในสถานที่ที่เราสงบนะสงบอยู่ที่นี่ในป่านี้ในที่นี้แต่เราก็ต้องการความสงบนะบางทีบางคนเนาะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นความสงบเหมือนกัน มันกระโดดโยนมีตาแต่ว่ารดโยนมาเห็นคนนั่งอยู่บนรดโยนนั่นเห็นอย่างนี้เหมือนกันอืมให้เรารู้จักว่าธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นตรงไหนดับที่ตรงไหนอะไรมันเป็นอย่างไรยังที่จะรู้จักธรรมะเป็นเรื่องอุบายอย่างนี้เพราะว่าธรรมะเรามองไม่เห็นชัดไม่มีอะไรมีเรื่องอุบาย อาตมาจึงชอบพูดธรรมะแล้วพูดเรื่องอุบายหเห็นอย่างนี้เห็นเวลาเราเห็นโลกนี่วุ่นวายนะไอ้ความเป็นจริงโลกไม่วุ่นวายเราเราวุ่นวายเองของเราอืมเนี่ยให้น้อมเข้ามาเช่นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมันแก่ใบมันร่วงลงไปเนี่ยเรามองเห็นก็รู้จักแล้วอ่ะเห็นต้นไม้แเราก็มองเข้ามาให้เราอ่ะเป็นปันจจตังเวทิตโภวินยยหี อย่างนี้ต้นไม้มันแ ก, นนนแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นตัวเราแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นธรรมที่เสมอกันแล้วเห็นข้างนอกก็เห็นข้างในเห็นข้างในก็เห็นข้างนอกอันนี้ก็เป็นอนุสติเราอย่างหนึ่งเจง้าจะพงสังขารแต่พิจารณาด้วยไปเมืม่อ<ม>เรารู้จากธรรมะเช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่เดินทางไป เดินไปแลว้วก็เดินทางกลับมามแลว้วก็หยุดอยู่นี่เป็นลักษณะของคนเดินคนกลับเดินไปก็ได้กลับมาก็ได้หยุดอยู่ก็ได้แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าหรือที่นักปราชญ์ทั้งหล า, ท า, ายท่านสอนว่ามเมื่อจิตถึงธรรมะอันแท้จริงแล้ว อาการเดินไปก็ไม่มีอาการกลับมาก็ไม่มีอาการหยุดอยู่ก็ไม่มีนี่เข้าใจไหมว่าจะอยู่ที่ตรงไหนสิ่งทั้งหลายนี้มันจะปรากฏขึ้นมากับผู้ปฏิบัติอันนี้เป็นธรรมที่เรียกว่ามันเป็นสัจธรรม ที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนะอันนี้เป็นสัจธรรมอยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่ของใครไม่ไปก็ใครทั้งนั้นอยู่อย่างนั้นเดินไปก็ไม่ไปถอยกลับก็ไม่ถอยยืนหยุดอยู่ก็ไม่หยุดเหมือนกันไม่มีไม่มีการเดินไปไม่มีการถอยกลับไม่มีการหยุดอยู่อย่างเนี้ยอันนี้ธรรมที่เป็นปัจจัตัง ถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไปถึงที่ตรงนั้นจะไม่สงสัยอะไรทางนั้นจบลงที่ตรงนั้นนะอย่างนั้นการปฏิบัติเช่นนี้ก็รีแล้วแต่ว่าระยะหนึ่งก็ปฏิบัติเป็นชั่วสิบวันยี่สิบวันเดือนหนึ่งเดือตอนเช้าตอนเย็นเราได้มานั่ง ความสงบอย่างนี้ก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ยิ่งถ้าหากว่าให้มันยิ่งการสมาธินั้นก็ไม่ใช่การนั่งอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิเป็นวงกลมอยู่ดีให้เรามีสติพูดถึงด้านจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นวงกลมมีสติไม่ใช่ว่า บางทีก็เข้าใจว่าเรานั่งกรรมฐานนี่เราเลิกจากการกระทานี่แล้วก็หมดกรรมฐานนี่ไม่ใช่อย่างนั้นย้า้มันหมดทีไม่ใช่มาเหมือนกระเบรดิโภคข้าวนี่รบริโภคข้าวมันอิ่มแล้วออกจากที่นั่งเดินไป ม, มั น, นมมก็ยังอิ่มนอนมันก็ยังอิ่มไปก็ยังอิ่มมันมีกำลังอยู่อย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นพ อ, อที่ว่าเราออกจากกรรมฐานนี้ไม่ใช่ว่าเราออก ไม่ใช่ว่าเราหยุดเราจะต้องให้มีสติอยู่เรื่อยในจิตของเราอย่างนั้นเราทันหรือเปล่าการกระทบมันก็เป็นอย่างหนึ่งเขนวตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะกระทบอย่างเนี้ยนะเรียกว่าการกระทบเชียนานกมันร้อง พอเสียงนกมันร้องกระทบเฉยเมื่อนกมันร้องจบไปแล้วความรู้สึกคิดึ้นในนี้แม่เสียงนกนี่มันสนุกวะสนกุกนกมันไม่สนุกวะหรือคิดขึ้นว่าแม่อยากจะจับนกมันไปเป็นอาหารนะอยากจะจับนกมันไปขายวะนี่ นี่เรียกว่ามันเกิดจากตรงนั้นที่ไอ้กระทบเฉยๆเนี่ยได้ยินเฉยๆไม่มีอะไรเลยถ้ามีอวิชาเป็นพื้นะเมื่อกระทบพูบแล้วมันจะเออเสียงนั้นสนุกนีอย่างนี้รูปนั้นสวยกลิ่นนั้นหอมเราชอบมันจะเป็นไปตามทํานองนี้อันนั้นเรียกว่า อ, อ, อเรื่องกระทบเฉยๆมันอย่างหนึ่งเมื่อกระทบแล้วมันรู้ ยึดหมายไปตามอาการทางหลายเหล่านั้นไปเก็บสิ่งต่างๆเข้ามารวมให้จิตของเรารู้สึกขึ้นนี่เรียกว่าการกระทบเฉยๆถ้าเรารู้จักการกระทบเฉยๆกระทบเคลื่อนเลิกไปยังไม่ก็ไม่มีอะไรการกระทบเราติดมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งสิ่งทางหลายเหล่านั้นให้เราโกรธให้เราเกลียดให้เราชอบให้เราไม่ชอบ นุ่งนังกันอยู่ตรงนั้นอันนี้ถ้าเราตามดูจิตของเราแท้ๆเราจะรู้จักอะไรมันเป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายต้องรู้จักในกจิตของเจ้าของนั้นนี่เรียกว่าการการปฏิบัติทางจิตไม่มีอะไรจะพูดมากนะให้โยมเวลองทดลองดนูนะเรืยกพ้นทุกข์กันหมดหรือยัง ถ้ายังไม่พ้ทุกเอาไปลองดูนะเนี่ย ว, ว่าไอ้ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องเรียมากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทางหูก็เดียก ว, ว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบใจก็เดี ว, ว่าอันนี้มันไม่แน่เท่านั้นเนีะยืนไปทํามันเกิดขึ้นมาอะไรก็มไม่แน่นะสับมันตรงเดียวเท่านี้เนี่ยเดียวปัญญาเกิดนะถึงถึงแม้ว่ามันจะมีโกรธมีเกลียดเท่าไรขึ้นมาในใจก็เมื่อไรก็อั้นไม่แน่นะมีแต่ไม่แน่เท่านั้นน่ เดียวโยมจะเห็นของไม่แน่ขึ้นจริงๆก็เห็นของไม่แน่ไอ้ที่ของอะไรที่มันไม่แน่ของนั้นมันก็หมดราคาแล้วเห็นไหมของไม่จริงไม่จังมันก็หมดราคาแล้วมันก็อย่างนั้นเมื่อมันหมดราคาแล้วฉะนั้นเรารู้จักว่ามันหมดอย่างนั้นมันไม่แน่ทั้งนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็บอกมันไม่แน่เกิดเมื่อไหร่ก็เท่านั้นแหละนะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เท่านั้นแหละ เป็นอย่างนั้นเลยจิตใจเราจะเป็นอยู่อย่างนี้จะเห็นชัดว่ า, าคำที่ว่ามันไม่แน่นั่นเนี่ยเรียกว่าธรรมะธรรมะนั่นเนี่ยที่เราเห็นธรรมะเรียกว่าของที่ไม่แน่มันจะเป็นเหตุไให้เรายึดมัน่นหรือถือมัน่นแต่ยึดมาแต่ใว้ใหม่มัน่นอย่างนี้เมื่อเราเห็นธรรมะก็ เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะเนี่ยนะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้อืความรู้อันนี้อยู่อย่างนี้ตั้งอยู่เสมอในใจอย่างนี้อือันนี้ให้โยมเอาไปลองดูถ้าไม่เชื่อเอาลองลองดู ก, ก่อนก็ได้อืม ทำไปอย่างนี้ทำสัมประากรรมาฐานกว่าทำไปอย่างนี้ทําไปเรื่ยอยไปใหความรู้สึกเกิดขึ้นมาต่อไปนั้นเราก็พอสมควรแล้วก็ยกให้มันมีปัญญายิ่งขึ้นกว่านั้นอืที่บอกว่าที่ว่ามันไม่แน่ศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่สําคัญนะแต่นักประเสธ ว, วัดเราข้ามไปข้ามมาอยู่นี้ไม่เห็นเนี่ยคิดว่าทำอันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ ไม่ยกขึ้นมาดูถ้าเรายกดูขึ้นมาเมื่ อ, อไรเรามีไหมเรามีความสุขเกิดขึ้นทั้งใจหรือเปล่าเคยมีไหมเรามีความทุกข์เกิดขึ้นทั้งใจหรือเปล่าเรามีความพอใจเกิดขึ้นทั้งใจหรือเปล่าเรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นทั้งใจหรือเปล่าอันนี้มันต้องจะเป็นนิจจการในทีเดียวเนทั้งหลายเหล่านี ge ge ้เมื่อมันเกิดมาที่เฉพาะหน้าเรารู้จักเพราะเรามีสติอยู่เราอันนี้มันไม่แน่ นี่เม่แน่บอกทุกขณะเลยลองลองดูเบอมอะโยมจะบรรลุธรรมะในการเดินก็ได้การยืนก็ได้การนอนก็ได้ไอความยึดมัน่นถือมันมันจะค่อยๆ ค, คลี่คลายออกไปด้วยด้วยจะได้มีปัญญาเกิดขึ้นอไปลองดูนะไปทดลองดูเถอะมันจะเป็นยังไงไปลองดูสิ มีไหมก็มันมีสิ่งที่ ท, ทดลองอยู่แล้วอะไออารมณ์มันมาสกิดอยู่ทุกเวลาน่ะอืมีไหมนะชอบใจมีไหมไม่ชอบใจมีไหมนั่นแหละถ้าอนั้นมีอยู่ที่เรื่องชอบใจไม่ชอบใจมีอยู่ก็เป็นเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเป็นธรรมดาอย่างหนึง่งนะ ถ้ามันเรือนธรรมดาและเป็นเรื่องอุปท า, านเนี่ยนะมันจะไม่ให้เราสบายนะมันจะไม่เราสบายมันจะเหมือนเอายาเหมือนเอาเข็มไปอาบยาพิษมาฉีดเข้าไปนะทนมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเรารู้จักแก้ปัญหานี่จิตใจเราก็สงบจ อ, อ น, นี้ไปเป็นโอกาสที่จะให้ถามปัญหาข้อข้องใจสนะัก หน่อยพอสมควรนะได้าอาศัยการพูดหนึ่งก็ไม่จบหรอกกระทั่งคืนสองคืนมันก็จบไม่ได้เคยมีไหมโยามได้ยินเสียงมันมาแล้วก็ดูสืกว่าเสียงมันมากวนเราอี่เคยเคยคิดไหม <laughs> เสียงมากวนรเราดอเราไปกวนเสียง Did it come to bother us or did we go to bother it ระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะ Uh, just say smell, smell, smell. Mm. Maybe I don't respond to the fire. That must be great. It worries <laughs> me. <laughs> <laughs> that hasn't happened yet. What? yokes a y He says, "We are s i n g แล้วก็กาหนดจิตแล้วก็ได้ถูกกลินน่นเชีนควนทีนี้ถ้าหากว่าเราว่ากลิ่นควนกลิ่นควนเฉยเฉยก็อาจจะมีไฟไหม้เราก็ไม่ได้ลุกขึ้นก็ทำยังไงนะครับจะกําหนดหรือว่าจะให้ทำยังไงเอออย่างนั้นนักภาวนาอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นดิ <laughs> ไฟจะไหม้เราตายก็ไม่หนีไงนะ <laughs> ก็เงื่อนไม่ใช่คนภาวนาดีกว่า <laughs>